แห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดแล้วติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉ า, าสี่้อยยีบรรดาสมัปประธาน 4. สส ม, มัปประธานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภพยกระิษเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุใหสัตว์ ร, ร้องไห้ 1. ติกะ มาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาทวิสัชนา429สิบเมประทาน4เป็นกุศลอย่างเดียวสมประทาน4ดดนาี่ที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธด้วยอาทุกขมะสุขเวทนาก็มีสมประทานสเป็นเหตุให้เกิดพิบากสมประทาน4กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสมมติทานสี่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสมมติทานสที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีสมมติทานสที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก<ส>็มีที่สหรคตด้วยอเวขาก็มี สมรภูธานสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสามสมรภ yes ูธาน ส, มสมไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสามสมรภูธานสี่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสมรภูธานสเป็นของเสกบุคคลสมรภูธานสเป็นอัปปามะนะสมรภูธานสมีอ in ัปปามะนะเป็นอารมณ์ ส ม, มัปปทานสี่เป็นชั้นประนีตส ม, มัปปทานสี่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนส ม, มัปปทานสี่ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ส ม, มัปปทานสี่มีมรรคเป็นเหตุส ม, มัปปทานสี่ที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามี ม, มรรคเป็นอธิบดีก็มีสมัปปทานสี่ที่เกิดขึ้นก็มี ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนสมประทานสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสมประทานสี่ ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสมประทานสี่มีทำภายนอกตนเป็นอารมณ์สมประทานสเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุ ก, กะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคโจัชกะวิสัชนา430้สามประทานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ สมประทานสี่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสมประทาน4กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปรยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปรยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสมประทานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จูรันตระทุกกะวิสัชนาสมประทานสมีปัจจัยปรุงแต่ง สมัปทานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสมัปทานสี่เห็นไม่ได้สมัปทานสี่กระทบไม่ได้สมัปทานสี่ไม่เป็นรูปสมัปทานสี่เป็นโลกุตระสมัปทานสี่จิตบางดวงรู้ได้สมัปทานสี่จิตแบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัตชกะกบิสัชฉนาะ สมัปปทานสี่ไม่เป็นอาสวะสมัปปทานสี่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมัปปทานสี่วิปยุ์จากอาสวะสมัปปทานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสมัปปทานสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุ์ด้วยอาสวะ หรือสัมปะยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะส ม, มะปรปทานสี่วิปยุทธจากอาสะวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ 4-10 ถึงสสัญโยชนะโคจัชกาที่วิสัชนาส ม, มัปทานสี่ไม่เป็นสังโยตไม่เป็นคันธะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวร ไม่เป็นปรามาตยสมัปทานสี่รับรูอร้อารมณ์ได้สมัปทานสี่ไม่เป็นจิตสมัปทานสี่เป็นเจตสิกสมัปทานสี่สัมปยุทธ์ด้วยจิตสมัปทานสี่ระคนกับจิตสมัปทานสี่มีจิตเป็นสมุทฐานสมปัปทานสี่เกิดพร้อมกับจิตสมัปทานสี่เป็นไปตามจิต สมั aram ปทานสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสมัปทานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสมัปทานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสมัปทานสี่เป็นภายนอกสมัปทานสีไม่เป็นอุปาทายรูปสมัปทานสี่ กรรมอันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ11ถึง13อุปปาทานาโคจัจกาธิวิสัจชนาะสมัปทานสไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลสสมัปทานสไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมักเปื้องบนสามสมัปทานสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และมักเบื้องบนสสมมติทานสที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมมติทานสที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสมมติทานสที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสมมติทานสที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มี สมประทานสี่ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสมประทานสี่ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสมประทานสี่ไม่เป็นกามาวจรสมประทานสี่ไม่เป็นรูปาวจรสมประทานสี่ไม่เป็นอรูปาวจรสมประทานสี่ไม่นับเรื่องในวัตทุก์ สมัปปทานสี่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์สมัปปทานสี่ให้ผลแน่นอนสมัปปทานสี่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสมัปปทานสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ปัญหาปุจฉะจบสมัปปทานนวิพังจบบริบูรณ์กาอิทิปาทวิพังหนึ่ง สุตันทธาพาชนี431อิทธิบาต4ได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิและปัฏานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปัฏานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาต ท, ที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปัฏานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปัฏฐานสังขาร 1. ฉันทิฏฐิบาท4ี่ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปัฏฐานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุทำฉันทะให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตนี้เรียกว่าฉันทสมาธิ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 ภิจูนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เดือนหายพิโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วทมเหล่านี้เรียกว่าปทานสังขารประมวลย่อฉันทะสมาธิและปะทานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าฉันทะสมาธิและปะทานสังขารด้วยประการชนี 433บรรดาธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นฉไนความพอใจการทําความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทํำความฉลาดความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นฉไนความตั้งอยู่ความดารงอยู่ความตั้งมั่นความไม่สายไปความไม่พุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่ซัดสายสมถะ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 คำว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าพิกษุเสพเจริญทำให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาท 2. วิริยิทธิบาท435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 วิริยะสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิริยะสมาธิและประธานสังขารด้วยประการฉนี้436บรรดาธรรมเหล่านั้นวิริยะเป็นฉไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิเป็นฉไนความตั้งอยู่ความดำรงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สัดสายสมถะสมาธินีสมาธิพละสัมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนาการปรารบความเพียรทางใจสำมาวายามะนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว ประกอบแล้วด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารนี้ด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร437คําว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีกริยาที่สําเร็จกริยาที่สําเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดี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 3. จิตติดทิบาท4ี่าภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตัสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไรถ้าภิกษุทำจิตให้เป็นอธิปดีแล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตนี้เรียกว่าจิตตัสมาธิภิกษุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดเพื่อละบาปอากุศลธรรมอันเกิดแล้วเพื่อทำขุศลและรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดพิกจุนั้นสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อความดารงอยู่ไม่เรือนหายพิโยภาภัายบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว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 ความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิปธานสังขารเป็นไฉการปรารพความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าปธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยจิตนี้ด้วยสมาธินี้และด้วยปธานสังขารนี้ด้วยประการฉนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยจิตตสมาธิปัธานสังขาร440คำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสาเร็จความสาเร็จด้วยดีกิริยาที่สาเร็จกิริยาที่สาเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจง้งความเข้าถึงทมเหล่านี้ คำว่าอิทธิบาตมีอธิบายว่าเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าเจริญอิทธิบาตมีอธิบายว่าพิกุสเสพเจริญทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาตสี 4. วิมังสิทธิบาตสี่ร้อ1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 วิมังสาสมาธิและประธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร442บรรดาธรรมเหล่านั้นวิมังสาเป็นฉไนะปัญญาความรู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าวิมังสาสมาธิเป็นฉไนะความตั้งอยู่แห่งจิต สัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการปราลบความเพียรทางใจเป็นต้นละสัมมาวายามนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้วเป็นต้นประกอบแล้วด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขา น, นี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า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 4 4่อิทธิบาตสีได้แก่พิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทัศสมาธิและประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 3. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร 1. ฉันทิตทิบาท 445. ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและประทานสังขารเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินไหนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกรม บรรลุปฐมชา์ที่เป็นทุกขาปฏิปทาธันธาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอิทธิบาตที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 446. บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นไฉไความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะททำความฉลาดความพอใจในธรรม นี้เรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นฉไนความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิส ม, มาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นฉไนาการปรารอความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโภชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขารนี้ด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยฉันทสมาธิและประธานสังขาร447คําว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีกิริยาที่สําเร็จกิริยาที่สําเร็จด้วยดี ความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทำให้แจ้งความเข้าถึงสภาวธรรมเหล่านั้นคำว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าความกระทบการประคองความไม่ฟุ้งซ่านของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคำว่าจเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าพิกจุดเสพเจริญทำให้มากซึ่งสภาวธรรมเหล่านั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสวิริยิทธิบาทรภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประฐานสังขารเป็นอย่างไรภิกจุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม บรรลุปธรามฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อวเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิและปะธานสังขาร 449. บรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นวิริยะเป็นฉไนะการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพธชงอันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าวิริยะสมาธิเป็นไนความตั้งมั่นแห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโภชฌงค์อันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัค นี่เรียกว่าประธานสังขารภิกุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยวิริยสมาธิและประธานสังขานี้ด้วยประการชนีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิริยสมาธิและประธานสังขาน450คาว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสําเร็จความสําเร็จด้วยดีกิริยาที่สาเร็จ กิริยาที่สำเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทําให้แจง้งความเข้าถึงสภาวธรรมเหล่านั้นคําว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าความกระทบการประคองความไม่พุ้งซ่านของบุคคลผู้เป็นอย่างนั้นคําว่าเจริญอิทธิบาทมีอธิบายว่าพิกตุเสพ จเจริญทำให้มากซึ่งสภาวธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจเจริญอิทธิบาท 3. จิตติดทิบาท4ี่ราิกเพิจุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารเป็นอย่างไบรพิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพาน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 มโนมานั์มโนวิญญาณาธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิ ส, มธสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มครรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาธิปรธานสังขารเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโภชฌงค์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 ความสำเร็จด้วยดีกิริยาที่สําเร็จกิริยาที่สําเร็จด้วยดีความได้ความได้เฉพาะความถึงความถึงด้วยดีความถูกต้องการทําให้แจกความเข้าถึงสภาวธรรมเหล่านั้นคําว่าอิทธิบาทมีอธิบายว่าความกระทบการประคองความไม่ฟุ้งร้านของบุคคลผู้เข้าถึงสภาวธรรมเหล่านั้นคําว่าเจริญอิทธิบาท มีอธิบายว่าพิกษุดเสบเจริญทำให้มากซึ่งสภาวธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจเจริญอิทธิบาท 4. วิมังสิทธิบาท 454. ริ45พิกษุจเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปัฏานสังขารเป็นอย่างไรพิกษุในธรรมวินัยนี้ จเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรุปธรรมฌานที่เป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าจเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปะทานสังขาร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 สมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสมาธิประธานสังขารเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าประธานสังขารภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วด้วยดีประกอบแล้วด้วยวิมังสาสมาธิและปทานสังขารนี้ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปทานสังขาร 456. าคำว่าอิทธิมีอธิบายว่าความสำเร็จ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 มีอธิบายว่าพิกตุเสบเจริญทำให้มากซึ่งสภาวธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเจริญอิทธิบาทสี่ร้อย้ิอิทธิบาท4คือ 1. นฉันทิทธิบาทหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสาเร็จคือฉันทะ 2. วิริยิธิบาทหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสาเร็จคือวิริยะ 3. จิตติทิบาทหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือจิตตะ 4. วิมังสิทธิบาทหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จคือวิมังสา 1. ฉันทิติบาท458บรรดาอิทธิบาท4นั้นฉันทิติบาทเป็นฉไหนะ ภิจุดในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปธรามฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะทำความฉลาด ความพอใจในธรรมนี้เรียกว่าฉันทิติบาทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยฉันทิติบาท 2. วิริยิติบาท4 5ีิบวิริยิติบาทเป็นฉไหนะภิกสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุขให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น สงัด จ, จากกามบรลุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายาะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มร์นับเนื่องในมร์นี้เรียกว่าวิริยิทิบาทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยวิริยิทิบาท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 มนโนมานัสมนโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตติธิบาทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ ด, ด้วยจิตติธิบาท 4. วิมังสิทธิบาท 461. วิมังสิทธิบาทเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพาน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 นี้เรียกว่าวิมังสิทธิบาทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุตธ์ด้วยวิมังสิทธิบาทอภิธรรมภาชนีจบ